ธรรมบทแปลเรื่องการบริณิพนธ์ของพระโคทิกะเทระภาคที่สเรื่องที่43พระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชกฤชประทับอยู่ในพระเวิรวุฬห์ทรงบารอบการบริณิพนธ์ของพระโคทิกะเทระ ตรัฐรธรรมเทศนานี้ว่าเตสังสัมปันนะสีลานังอุ ป, ปมาทะวิหารินังสัมมะทั ญ, ญาวิมุตตานังมาโรมักคังนะวันทติแปลว่ามานย่อมไม่ประสบทางของท่านผู้มีศีลถึงบราณแล้วมีปกติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทพลนวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้นตอนพระเทระคิดฆ่าตนเพราะเสื่อมจากฌานความพิสดารว่าท่านผู้มีอายุนั้นอยู่ใกล้ถ้ำกาลัสีลาข้างภูเขาอิสิกิลิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ ถูกต้องเจโตวิมุตต์อันเกิดขึ้นในสมัยนั้นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวเสื่อมจากเจโตวิมุตต์นั้นด้วยอำนาจแห่งโรคอันเรื้อรังชนิดหนึ่งท่านยังฌานที่สองบ้างชานที่สามบ้างให้เกิดขึ้นถึงหครั้งแล้วก็เสื่อมในวาระที่เจ็ดจึงเกิดความคิดว่า เราเสื่อมจากชานถึงหกครั้งแล้วก็คติของผู้มีฌานเสื่อมแล้วแลย่อมไม่แน่นอนคราวนี้แหละเราจะนำศาสตรามาดังนี้แล้วก็ถือมีดสำหรับปลงผมนอนบนเตียงน้อยเพื่อจะตัดก้านคอตดนแล้วตอนมันทูลให้พระศาสดาส่งสาบมัน รู้จิตของท่านแล้วมีความคิดบ่าภิกษุนี้ใกล้จะนำศาตรามาก็แลภิกษุทั้งหลายเมื่อนำศาตรามาแล้วย่อมเป็นผู้หมดความมาลัยในชีวิตภิกษุเหล่านั้นเริ่มตั้งพิปัสนาแล้วย่อมจะบรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเราจะห้ามภิกษุนั้นเธอจะไม่ทำตามคำของเรา เราจะทูลให้พระาศาสดาทรงห้ามดังนีน้แล้วจึงแปลงกายเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบทูลด้วยคาถานิว่าข้าแต่ท่านพระมหาวีระผู้มีบุญมากรุ่งเรืองด้วยฤทธิด์ด้วยยศล่วงเสียได้ซึ่งเวรและภัยทั้งปวงผู้มีจากสุข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระบาททั้งสอง ข้าแต่พระมหาวีระสาวกของพระองค์อันความตายครอบงำย่อมจำานงคิดถึงความตายข้าแต่พระองค์ผู้ส่งไว้ซึ่งความรุ่งเรืองขอพระองค์จงทรงห้ามพระสาวกนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปรากฏในหมู่ชนสาวกของพระองค์ยินดีแล้วในศาสนาแต่มีธรรม มีในใจยังไม่ได้บรรลุยังเป็นผู้จะต้องศึกษาจะพึงทำกาลเสียอย่างไรเล่าตอนมารแสแบงหาวิญญาณของพระโคที่กักก็ในขณะนั้นพระเทระนำสาตรามาแล้วพระาศาสดาทรงทราบว่าผู้นี้เป็นมารจึงตรัสพระกรดานิว่าปราชตั้งหลาย ย่อมทำอย่างนั้นแลย่อมไม่จำหน่งชีวิตโคที่กะทอนตนาขึ้นบรมทั้งรากประดนนี้ผ่านแล้วกรันนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่พระเถระนำศาตรามานอนอยู่แล้วพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากขณะนั้นม า, น, น, มานผู้ใจบาปคิดว่า ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกานี้ตั้งอยู่แล้วในที่ไหนหนาแลดังนี้แล้วเป็นดุจกลุ่มควันและก้อนเมฆแสวงหาวิญญาณกรองพระเทระในที่ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่มานั้นเป็นควันและก้อนเมฆนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มานผู้ลาโมกนั้นนั่นแหละสแสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกาอยู่ด้วยคิดว่าวิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะตั้งอยู่แล้วณที่ไหนหนอะพิสษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อโคธิกะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่เลยปัณนิพานแล้วหนังนี้แม้มนันไม่อาจเห็นที่ตั้งวิญญาณ ของพระโคที่กะ น, นั้นได้จึงแปลงเพศเป็นกุมารถือผิ่นสีเหลืองดุดผลมะตูมเข้าไปเฝ้าพระศาสดาจึงทูลตามด้วยคำที่เป็นคาถาว่าข้าแต่พระองค์เที่ยวสแสวงหาอยู่ในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทิศใหญ่ทิศน้อยก็ไม่ได้ประสบพระโคติกะ น, นั้นไปแล้วนที่ไหน รานันพราศาสดาจึนได้ตรัสกลับมาด้วยคำที่เป็นคาถาว่าภิกษุชื่อโคติกะเป็นบาตสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำมีฌานยินดีแล้วในฌานในการทุกเมือ่อประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใหญ่ดีชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุได้แล้ว ไม่มาสู่ภบอีกถอนตัณหาพรามท้งรากปันนิพพานแล้วเมื่อพระศ า, าสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพินได้พลัดตกจากรักแร้ของหมานั้นผู้อันความโศกค ร, รับงำลำดับนั้นยักษ์นั้นเสียใจได้หายไปนะที่นั่นนั่นเองด้วยประการชนนี้แม้พระศาสดาก็ได้ตรัสว่า มันผู้หลามกเจ้าต้องการอะไรด้วยสถานที่กุ่บุตรชื่อโคทิกาเกิดแล้วเพราะคนอย่างเจ้าตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจจะเห็นที่ที่โคทิกานั้นเกิดดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่ผูเป็นคาถาขึ้นว่ามันย่อมไม่ประสบทางของท่านผู้มีศีลถึงบรมแล้วมีบัติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้นบาลีว่าเตสังสำปันนะศีลานังอุ ป, ปมาธะบิหาริหนังสัมมทัญญาวิมุตตานังมาโรมัขังนะวินทติก็ในบรรดาดคําเหล่านั้นคําว่าเตสังแปลว่าเหล่านั้นหมายถึง แห่งท่านที่ปริธานเหมือนอย่างกุลบุตรชื่อโกติกะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่ปริธานแล้วฉะนั้นคำว่าสัมปันน์ศีลานังแปล ว, ว่าของท่านผู้มีศีลถึงพรมแล้วหมายถึงท่านผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วคำว่าอปปมาทะวิหาริหนังแปล ว, ว่ามีปกติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทคือผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือความไม่อยู่ปราศจากสติคาว่าสั ม, มะทัญยาวิมุตตานังแปลว่าพลวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบหมายความว่าผู้พลวิเศษแล้วด้วยวิมุตห้าอย่างเหล่านี้คือตะทังควิมุติวิขมพนะวิมุติ สมุดเฉดวิมุตติปฏิปัสสธิวิมุตตินิสสารณะวิมุตติเพราะรู้โดยเหตุคือโดยนยะโดยการข้อที่ว่ามาโรมะขังนะบินทติแปลว่ามานย่อมไม่ประสบทางหมายความว่ามานแม้สแสบหาอยู่โดยเต็มกำลังย่อมไม่ประสบ คือย่อมไม่ได้เฉพาะได้แก่ย่อมไม่เห็นทางแห่งพระมหากีนาศพทั้งหลายผู้เห็นป่านนี้ไปแล้วในเวลาจบเทศนาชนเป็นเอนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปันทิพลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องการปรินิพานของพระโคที่กาเตระ